นะถ้าเราจะเอาเฉพาะคำว่าพระธรรมอย่างเดียวเน้นหัวข้อธรรมะอย่างเดียวบอกว่าสวากาโตพระควาตาธรรมโมพระธรรมพระผู้มีพระภาคเก้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ศึกษาได้และปฏิบัติได้ให้ผลไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ ผู้ปฏิบัติก็เพึงรู้ได้เฉพาะตนหรือว่าวินยูชนก็รู้ได้เฉพาะตนก็คือสว่าขาโตนั่นแหลวในอิติปิโสนะพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้ า, าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จากัดการเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นธรรมที่วินยูชนก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นธรรมที่อุคติตัญยูวิปัญจิตัญยูนัยยะบุคคลก็รู้ได้เฉพาะตนถ้าจะระลึกต่อไปอีกให้กว้างไปกว่า น, นั้นอีกก็คืออัะ น, น, นีพระธรรมเป็นสิ่งประเสริฐประกอบด้วยคุณคือความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพาน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 จำแนกคือมรรคผลนิพพานส่วนใดซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นถ้าเราจะปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งที่เราควรควรทำความเข้าใจเป็นลำดับต้นน่ะธรรมะคืออะไรนี่นะถ้าเราชี้ไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะธรรมะเนี่ยแปลได้ร้อยเป็นเป็นสิบยี่สิบอย่างก็ได้นะ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 และที่สำคัญเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าทำที่นำออกจากทุกเนี่ยนะถ้าใครทำว่าเช้าบ่อยๆเนี่ยพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นเครื่องอ่เป็นเครื่องนำออกจากทุกขหรือว่าเป็นธรรมที่นำออกจากทุกขเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ พวกเราเมื่อได้ฟังธทำนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าะรู้ว่าไงนะก็คื อ, อ, อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้หรือว่าพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระตถาคตนั้น่ะคือใครนะเดี๋ยวค่อยกล่าวเน่ะเรื่องนี้มันยาวอ่างั้นเถอะไม่ต้องห่วงับถ้าให้เวลาห้าชั่วโมงนี่ก็จะพูดได่ห้าชั่วโมงแต่เชื่อเถอะเขามาไม่พูดนานขนาดนั้นหรอกมันาว่า พระตถ า, าคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในลูกนี้คําว่าตถ า, าคตเนี่ยตถาอาคโตแปลว่าผู้เสด็จมาอย่างนั้นพระตถ า, าคตเนี่ยนะหมายถึงว่าผู้ที่มาเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเช่นพระพุทธเจ้า ว, วิปสัสสีสิกีเวสภูกะกูสันทโกนาขมนะกาัสสะพระองค์เหล่านั้นเนี่ยนะปฏิบัติเช่นใดจึงได้เป็นพระพุทธเจ้า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 หมายความว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสร้างบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบประมัตถารมีสิบมหาบริจาคห้าอธิษฐานธรรมสี่จริยาสามเป็นต้นเนี่ยนะแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราก็มาอย่างนั้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะพระตถาคตเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าคาว่าพระพุทธเจ้าก็คือ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 ทีนี้พฤติกรรมการกระทำของพระพุทธเจ้าคืออะไรและพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะทรงแสดงธรรมแล้วเขาไปพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงธรรมลูกนี้ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนลูกนี้พร้อมทั้งเทวดามานพรหมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามและ ว, วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะสอนธรรมอันไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดไพเราะในเบื้องต้นด้วยศีลสมมาทาไพเราะในท่ามกลางด้วยวิปัสนาและอริยมรรคไพเราะในที่สุดคืออริยผลทั้งหลายเห็นพระองค์แสดงธรรมแล้วไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศ พรหมจรรย์คือศิกขาสามเรียกว่ า, าศาสนพรหมจรรย์ทรงประกาศพรหมจรรย์คืออริยมรรคพรหมจรรย์คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดระดับโสดาปติมัคสกธาคามิมรรคอานาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเนี่ยนะพระองค์ประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง <c oughs> หมายคือว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยจบลงที่อรหัตตะพนทั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจบลงที่เป็นพระอรหันต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 แม่มีความสุขมากดีใจมากฉลองวันเกิดแฮปปี้เบอร์เตดีใจจริงจรม่นะแม่ถ้าไม่ได้เกิดนี่คงเสียใจแย่เลยนะมีบุญเหลือเกินที่ได้มาเกิดเนี่ยนะได้มาแบกขันห้าน้ำหนักห้าหกเจ็ดแปดสิบกโลก็แบกไปเนี่ยนะนะดีใจมากที่มาแบกน้ำหนักเนี่ยนะนะดีใจมากต้องมาหาทำมาหาเลี้ยงชีพทุกวันเนี่ยทำไร้ไถนาออกเชื่อมทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นเนี่ยดีใจมากที่ได้เกิดถ้าไม่เกิดจะได้มาออกมาเชื่อมอย่างนี้ไหมนะดีใจมากภูมิใจมากอย่างนั้นไหม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 แต่ถ้าบอกอิ๋อีกนานก็จะตายถ้าอย่างไงสบายใจแต่บอกว่าอีกไม่กี่นาทีต่อไปนะเหงือท่วมเลยเขาบอกแม้เพชรฆ่าใจเด็ดนักฆ่ามาหาเหี้ยมมากบอกบอกคําสั่งประหารมาเนี่ยปัสสาวะร่วงเลยก็งั้นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่ากลัวตายซะส่วนใหญ่แม้ความตายก็เป็นทุกข์เพราะมั่นใจได้ยังไงว่าตายแล้วจะไปดีนะหรือไม่บางคนก็บอกว่าตายแล้วมันไม่เกิดอีกอย่างน้อยที่สุดก็ต้องพลัดพรากจาก ของรักเนี่ยนะพราดพลาดจากลูกจากล้านจากทรัพย์สินอุตสาหแวงหามาทั้งหมดเสร็จแล้วก็ต้องตายนี้จากสิ่งเหล่านี้แล้วหนอนะมันความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกใครว่าโศกก็คือสะอื้นในอกนะแม้ความสะอื้นในอกก็เป็นทุกข์เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยทุกข์ขนาดนั้นใช่ไหม ม, มันกลืนน้ำลายไม่ค่อยลงทําไมคอมันฝืดแท้เนี่ยนะเอาน้ําใส่เข้าไปแล้วก็ยังแห้งผากเลยนั่นแหละ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 แต่แปลว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นั้นคำว่าเกิดก็ทุกข์คำว่าแก่ก็ทุกข์คำว่าเจ็บก็เป็นทุกข์ความว่าไม่สบายกายความไม่สบายใจความ istedi. คับแค้นใจก็สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าทุกข์ว่าโดยย่อแบบที่เราสวดมนต์เนี่ยจะสวดว่าอะไรขันห้าคือตัวทุกข์แต่อีกสูตรหนึ่งนะอ่าเรียกว่าว่าโดยย่อขันห้าคือตัวทุกข์อันนี้เรียกว่าพูดตามขันทสูตรขันทสูตร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 ทุกจมูกนั่แหละคือตัวทุกลิ้นนี่แหละคือตัวทุกร่างกายนี่แหละคือตัวทุกไล่ไปตั้งแต่ผมมาเนี่ยนะผมนี่แหละคือตัวทุกขนคือตัวทุกเล็บนั่นแหละคือตัวทุกฟันนี่แหละคือตัวทุกผิวหนังนี่แหละคือตัวทุกเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นนี่แหละคือตัวทุกเนี่ยนะทั้งพวกนี้ยคือตัวทุกแม้แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้น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 และพระธรรมที่ทรงแสดงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากทุกข์นะนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนธรรมเพื่อให้พ้นจากทุกข์เออแล้วพระองค์ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ให้แก่เราได้อย่างไรอันนี้คือถ้าใครอยากจะปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องตั้งโจทย์พวกเนี้เป็นนะเมื่อตั้งโจทย์เป็นแล้วปฏิบัติก็ไม่ค่อยพลาดก็เหมือนกับว่าเดินทางเนี่ยเพรามาว่ามันเป็นเรื่องเดียวในโลกที่ทําด้วยความไม่รู้ นายุใหม่นี่นะก็คืออะไรคือการทำบุญให้ทานการปฏิบัติธรรมเป็นต้นเนี่ทานศีลภาวนานี่แหละเป็นสิ่งที่คนจํานวนมากทำด้วยความไม่รู้อ่เมื่อทำด้วยความไม่รู้เนี่ยมันมีข้อเสียข้อเสียก็คือไม่ทนทเพราะต่อไปมันก็เบื่อก็เลยเลิกทำเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าตัวเองทำไปทำไม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 ส่วนพวกที่พูดพูดส่วนใหญ่ก็เป็นสุตะพุทธะได้ยินได้ฟังก็ว่าไปตามนั้นแหละเหมือนนทีนี้นิยามของคำว่าพุทธะหรือตรัสรู้หรือรู้เนี่ยรู้อะไรรู้ธรรมรู้ธรรมรู้ธรรมเนี่ยนะรู้อะไรก็บอกว่ารู้ัจตุสัจจะธรรมนะรู้อริยสัจจะธรรมอันนิยามของคำว่ารู้ธรรมก็คือรู้อริยสัจจะธรรมอย่างบางคนก็บอกโอ้ไปที่ต้นโพเนี่ยนะไปพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ก็มถามมาพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้อะไรที่ใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์นัก็ต้องตรัสรู้อริยสัจเออและอริยสัจมีอะไรบ้างแล้วตรัสรู้ว่าอย่างไรเนี่ยนะพวกโจดพวกนี้ต้องขยันตั้งมากๆเลยคนที่ขยันตั้งโจดอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านเขาไม่เรียกว่าวิจิกิจฉาต้องแยกคําว่าวิจิกิจฉากับคําว่าปริปุจชาให้ให้ดีๆ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 ตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นคนที่ช่างสงสัยที่สุดแต่ไม่ใช่คําว่าสงสัยแบบแบบสงสัยแบบลังเลนะไอ้อาคที่บอกว่าอย่าสงสัยเนี่ยก็บอกว่าอย่าลังเลแต่ไม่ได้แปลว่าอยา่าอยากรู้อย่าอยากเข้าใจให้งูตามเดิมอนุรักษ์นิยมเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยอะไรซักอย่างเลยนะแล้วเหมือนดีอันนี้ไม่ดีแน่นอนนี่เ้าเรียกว่าปรารถนาจะรู้พระองค์พระองค์งคิดตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ ที่พระองค์ตรัสไว้ในหลายสูตรด้วยกันบอกว่าเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เราเกิดปริวิตกขึ้นว่าเขาใช้คําว่าปริวิตกก็คือเกิดความคิดขึ้นว่าอะไรหนอเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจสําหรับรูปทั้งหลายรูปเนี่ยมันมีความน่าชื่นใจอย่างไรอะไรหนอเป็นพิษภัยทุกโทษของรูป อะไรเนอะคือวิธีการสลัดออกจากรูปที่เรียกว่าถายถอนสลัดออกจากรูปสลัดออกได้อย่างไรพระองค์ก็ตั้งโจทย์เอาไว้สามคำนะอะไรหนอะคือความน่าเพลิดเพลินความน่าพอใจความน่ายินดีของรูปทำไมเนอะถ้าหากว่ารูปไม่น่ายินดีก็ไม่มีใครติดในรูปเป็นแน่แต่ถ้ารูปไม่มีโทษก็ไม่มีใครอยากจะออกจากรูปเป็นแน่ แต่ถ้าไม่มีการสลัดออกที่เที่ยงแท้ก็ไม่มีใครบรรลุทำเป็นแน่อะไรนอกเป็นความน่ายินดีของรูปบอกว่าความเพลิดเพลินเจริญใจสุขโสมนัสอันใดความสุขความดีใจทั้งหลายนั่นแหละคือเรียกว่าความน่าเพลิดเพลินเจริญใจของรูปแล้วทุกโทษพิษภัยของรูปล่ะ ไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้เป็นโทษของรูปแล้วถามว่าอะไรเป็นวิธีการสลัดออกจากรูปทั้งหลายเขบอกอารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดเป็นข้อปฏิบัติเพื่อสลัดออกจากรูปพระ อ, องค์บอกอีกนะว่าถ้าเราไม่รู้เห็นสิ่งเหล่านี้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพียงใดเราก็ปฏิญาณไม่ได้ว่าเราเป็นพระพุทธเจ้า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 สัมมาทิฏฐิก็เป็นเรื่องของใจสัมมาสังกัปปาก็เป็นเรื่องของใจเนี่นะเพราะปัญญาก็เกิดกับใจเกิดพร้อมกับใจสัมมาสังกัปปะการตรึกนึกคิดทั้งหลายก็เกิดร่วมกับใจสัมมาสติสติอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจความภาคเพียนเพียงทางไหนก็ภาคเพียนอยู่ที่ใจใจสมาธิคืออะไรความไม่ฟุ้งซ่านแห่งใจเราอาวิกะ อวิเคปะเนี่ยนะความไม่ฟุง้งซ่านแห่งใจใจไม่ฟุง้งซ่านมาจากคําว่าอาวิเคปะใจที่ไม่กําเริบแต่ทีนี้ใจที่ไม่กําเริบนั้นต้องเป็นใจที่ประกอบด้วยองค์คุณคือความรู้เป็นใจที่ประกอบไปด้วยความรู้เป็นตน้นทัางการปาฏิบัติที่ถูกต้องก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8การปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปนั่นแหละทีนี้อาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะอยู่ในอริยาศาสตรไ์ไหม เป็นอริยสัจไหมเป็นเป็นมัคคะอริยสัจหรือที่ใช้คําว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจท่านคําว่าตรัสรู้เนี่ยนะก็คือตรัสรู้ทุกขสัจตรัตรสรู้สมุทัยสัจตรัตรสรู้นิโรสัจและก็ตรัสรู้อริยมัคสัจทีนี้อริยสัจสี่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ในชีวิตที่เป็นจริง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 ทางเหล่านี้ก็ไม่มีทีนี้เราต้องต้องให้ความสําคัญว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําเรามั่นใจได้อย่างไรว่ากําลังทําตามที่พระพุทธเจ้าบอกอยู่นะเดีย๋ยวมาทํามีวิธีไหนบ้างสามารถเช็คตรวจสอบว่าเออเนี่ยที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นไปตามอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกทุกประการเอาอะไรเป็นเป็นให้เป็นผู้ให้คะแนนเหมือนกันเถอะให้คะแนนได้เนี่ยนะให้คะแนนตรวจสอบ วัดผลมาเออถูกต้องเนะีนะ่ยนเพราะถ้าหาว่าไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยแล้วเรารู้ได้ยังไงคิดง่ายๆว่าถ้าเราเดินทางเนี่ยนะโดยที่ไม่มีการตรวจสอบเลยย้อนมาถึงไหนนะออกจากบ้านก็ขับรถไปเรื่อยเนี่ยนะเอาคีย์เหยียบแต่ร้อยห้าสิบอย่างเดียวเลยนะถ้าไปสักสามปีเนี่ยอ่ะถึงไหนเนา ะ, ะถ้ดีนะถ้าถนนมันวนก็ยังชั่วหน่อยนะวนอยู่แต่รอบๆ บ, บริเวณนะั้นนะถ้าถนนไม่วนเนี่ยโอ้ถึงไหนนาะ นี่ก็เหมือนกันนะการปฏิบัติของเราบอกโอ้เขาปฏิบัติไปไกลแล้วบอกถึงไหนเนาอย่างเงี้ยถึงที่ไหนนาะอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะตรวจสอบการตรวจสอบนั้นถือว่าเป็นความรอบคอบเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องมากแต่เป็นความรอบคอบในโลกนี้ให้ความสําคัญกับคําว่ารอบคอบเนี่ยสูงมากแม้แต่ทุกข์ขอริยสัจเนี่ยนะเขามีความหมายว่าทุกเนี่ยควรทํำยังไงอริยสัจมีสี่ประการทุก ควรรอบรู้หรือควรไปศึกษาอย่างรอบครอบอันนะั้นรอบรู้กับรอบครอบเนี่ยความหมายคล้ายคลึงกัน น, นะก็คือเข้าไปรอบรู้ไปปรับความรู้ปรับความเข้าใจว่าทุกเหล่านั้นนะคืออะไรนนะแล้วต่อไปสมุทัยเนี่ยทำยังไงก็คือควรละแล้ววิธีละมีอยู่กี่วิธีละเด็ดขาดละอย่างไรเป็นต้นแล้วนิโรธนิโรธคือพระนิพพานควรทาให้แจ้ง แจ้งอย่างไรหนอะมียมเข้ามาถามมันมาบอกว่าท่านท่านไอ้ที่ว่าทําให้แจ้งนี่มันแจ้งยังไงเขาบอกงั้นเหมือนลืมตานี่เลยใช่ไหมเขาบ่างั้นเออมันแจ้งเนี่ยเหมือนเปิดไฟแล้วมันมองเห็นอย่างงี้ใช่ไหมก็เรียกว่าแจ้งเออเขาก็ถามดีอ่ะนะแล้วก็ตอบอย่างนั้นนะแจ้งอย่างงี้เลยไหมท่านเขาบอกงั้น บอกว่าอริยสัจเนี่ยมันต้องแจ่มแจ้งแบบนั้นเลยๆนะเพราะอะไรเพราะสมัยพุทธกาลนะเวลาเขาฟังธรรมจบเขาบอกว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะว่า ง, งั้นเขาฟังธรรมจบเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะเหมือนงายของที่คว่ำนะงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดนั่นแหละเขาเข้า นิยามของเขาเข้าใจธรรมะเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นของคนสมัยนั้นนะนะคนสมัยนั้นเขามาเนี่ยไปอินเดียว่าจะไปปีละหลายครั้งอะไรเงี้ยนะตั้งใจจะไปให้มันได้ปีละหลายๆายครั้งหน่อยบอกว่าไปทําไมไปอยากรู้จริงๆว่าเข้ารู้อะไรกันสมัยนั้นอ่านพระไตรปิฎกให้มันเยอะๆไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปแต่ละที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนว่าอย่างไรสอนให้รู้อะไรแล้วเขารู้แล้วเข้ารู้ว่ายัางไงบ้างนะไปพยายามจะไป ปีนี้ไปแค่สามครั้งเองนะปีหน้าใครว่าอีกทีว่าจะไปสักกี่ครั้งดีตอนแล้วแต่มีตัว๋วถ้ามีตั๋วบ่อยก็ไปบ่อยเหมือนกันปีนี้ไปกุมภาเข้าไปตุลาก็ไปพฤศจิกาเข้าไปกลับเมื่อหนึ่งทันวา่ะปีก่อนหน้านั้นก็ไปไปทุกปีนั่นแหละก็ไปทําไมบอกไปอยากรู้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแต่มต้องอ่านไปให้เยอะก่อนนะไม่งั้นก็ไปเห็นแต่ต้นไม้นะั่นแหละ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 อย่างที่กล่าวตอนต้นเมื่อกี้บอกว่าผู้ที่จะตรัสรู้มีอยู่สามประเภทเท่านั้นหนึ่งตรัสรู้เองคือเป็นพระพุทธเจ้าแต่ต้องสร้างบารมีมาเขามีกติกาเงื่อนไขตถาอาคโตหรือตถาคตเนี่ยนะผู้เสด็จมาอย่างนั้นต้องต้องสร้างบารมีขนาดไหนจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้สองพระปัจเจคพระพุทธเจ้าจะต้องทําอย่างไรจรึงจะได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอย่างที่สามพุทธสาวกทั้งหลายก็คือผู้ที่ ตรัสรู้ตามนี่ถ้าตรัสรู้ตามถ้าเราไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วเราจะตรัสรู้ตามว่าอย่างไรเนี่ย